ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปโพธิยานกำลังนำเสนอองธรรมในปฏิจจสมุปบาทโดยพิศดา ร, รออกไปอีกช่วงหนึ่งเราพอพูดมาถึงพบคือในแง่ของกรรมภพก็ได้แก่อภิสังขารทั้งสาม คือเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นอเน็นชาบ้างก็สรุปก็คือเป็นกรรมที่มีหน้าที่จําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีแตกต่างกันออกไปแล้วก็นําไปบังเกิดในปฏิพบสนนี้ปฏิพบเนี่ยแปลว่าพบเป็นที่อุบัติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติว่าใครจะไปเกิดที่ไหน ทรงแสแดงเป็นอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนกับคนโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศมันหาข้อยุติไม่ได้หรอกบางครั้งอาจจะปลายลงบางครั้งอาจจะโค่นลงบางครั้งอาจจะเอาตรงกลางลงวันสัตว์ที่ตายจากโลกนี้เกิดในโลกนี้ก็มีตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นก็มีตายจากโลกอื่นมาเกิดเกิดในโลกนี้ก็มีตายจากโลกอื่นไปเกิดโลกอื่นอื่นก็มีอื่นอืก็มีด้วยนะ วันลักษณะเป็นหมุนวนตัวแรงผลักดันที่ให้เปลี่ยนภพชาติเนี่ยคือกรรมแต่ทีนี้ถ้ากรรมไม่มากเกินไปนะบาปไม่มากบุญไม่มากเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ในแนวเดิมแต่เราจะเห็นในตัวอย่างในเปตะวัตถุก็ดีในเปตะวัถตวถุนะส่วนใหญ่มันเพราะบาคนบางคนเนี่ยเคยเป็นสามีพันยากัน แล้วก็ในพวกชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเยอะชาติแล้วเจคือซสสส้ำๆซากๆก็แสดงว่าก่อนจะตายเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับสถานที่ผูกพันอยู่กับพบที่ตัวเองเกิดเนี่ร้อนกรรมมันก็เหนี่ยวนำจิตไปสู่ปฏิพบอย่างนั้นท่านเล่าถึง ที่จริงก็เจ้าของชีวิตเล่าเองนะฮะชื่อเจ้าคุณประเทพสิทธาจาร์ชื่อมหาโชต์นามเจ้าคุณอะไรคล้ายๆจะคุณสัมปันโนอะไรนี่นะฮะอยู่วัดวชิราลงกรท่านบอกว่าเคยมาอยู่วัดประมวลท่านเลึกชาติได้คือก่อนจะตายเนี่ยท่านป่วยหนะักแล้วน้องสาวของท่านซึ่งติดกับท่านเนี่ยรักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกัน แล้วก็มีความผูกพันอยู่สูงก็คิดเป็นห่วงเป็นยายน้องสาวอะ่ะตัวเองก็ป่วยแล้วเสร็จแล้วก็ตายก็ตายก็ไปไปไปหาน้องสาวเลยน้องสาวรู้ว่าพี่ตายรักก็รักกันนะแต่ตายแล้วก็ชักกลัวก็บอกให้พี่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถออย่ามารบ ก, กวนแกก็น้อยใจนะหันหลังกลับแล้วก็หมุนติ้วเลยม่รู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ในร่างของหลานชาย S <S <an> แสดงเห็นว่าเด็กคนนั้นเกิดมาหน่อยก็ตายแล้วก็ระจังหวพะพอดีคือแกเข้าสิงรางก็ถือว่าเป็นการเกิดที่แปลกแต่ท่านระลึกมาได้อย่างนั้นนะเพราะว่าเวลาพูดถึงการเกิดนี่ในว่าบาลีเคยพบในระดับอัตกถาต่างๆที่ท่านว่าไว้นะฮะทั้งรวมทั้งในระดับกระจายปีดุทั้งเจ็ดปดอย่างบางอย่างเราก็ดูงงๆเหมือนกันนะฮะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ยกตัวอย่างเช่นแม่ครวญสามที่มีคันเพราะว่าตอนมีเมนสามีเอามือไปรูปที่ท้องแต่นั่นเองเกิดลูกได้มันก็งงเหมือนกันแต่ตั้งก็แสดงไว้ในลักษณะอย่างนัน้นั่นก็คือกรรมมาพบกับอุบัติภพตัวกรรมนั้นเป็นตัวนำไปสู่พบหล่อนั้น ทีในความเป็นภพนี่ท่านก็แบ่งออกไปเป็นสามภพใหญ่ๆแต่เวลาพูดเป็นภูมิเนี่ยจะแยกเป็นสี่ภูมินะภูมินี่เป็นความหยาบกลางละเอียดของจิตหรือชั้นของจิตแต่ภพเนี่ยหมายความว่าที่ที่จิตไปถือปฏิสนธิแต่กรมมภพเนี่ยเป็นตัวสร้างจิตกับสร้างบิญญาณนะฮะร่วมกับกิเลส คำคำเดียวเนี่ยบางทีมันก็อยู่คนละที่กันก็ความหมายมันก็ต่างกัน ก, น ก, น ก, นกามาพบจิงีเป็นอาบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกก็เป็นสิบเ็ดรูปประพบนั้นเป็นรูปประพรมรูปปรพรมสิบหกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปบังเกิดในรูปประพรมด้วยกำลังฌานเนี่ยมันมีแค่สิบเอ็ด แต่อีกห้าอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของพระอนาคามีแต่ว่าทั้งหมดก็คือรูปประกอบนะครับคนี้เกิดด้วยกุญยาพิสังขารจะเกิดด้วยบุญกลมาพบพวกระดับมนุษย์พวกระดับสวรรค์ก็เกิดด้วยบุญนะฮะแต่ว่าบุญก็ไม่มากเท่าไหร่มาปังน้อยบ้างก็ในหมู่มนุษย์โดยกันก็เทียบเคียงหยาบกลางละเอียดในชั้นของเขาอะในหมู่เทวดาวก็เทียบเคียงอย่างนั้นคือหยาบกลางละเอียด พ, พรหมในท่านเทียบหยาบกลางละเอียดชัดเจนเจนว่าเราบรรลุปฐมไม่ชาในมีหยาบก็ม um. ีกลางก็มีละเอียดก็ม no ีก็พบของท่านพุ่งจิตของท่านเนี่ยมันต่างกันเพราะทําให้พบที่ท่านปฏิบัติเนี่ยต่างกันเชจนว่าปฐมไม่ชาขนาดหยาบก็บังเกิดเป็นพรหมบริษัทธ์เกบริวารของพรหมขนาดกลางก็เกิดเป็นพราม์พรหมบุโรหิตคือดบุโรหิตของพรหมที่ปรึกษาพรหมแต่ถ้าปฐมไม่ชาที่เป็นนิ่ก็เกิดเป็นหมาพรหม นี่ก็เป็นการจำแนกของการทั้งหมดในอภิธรรมบีโดกนีท่านยังจำแนกออกเป็นการกำหนดด้วยความมีนามขันสี่ครบหรือไม่ครบกับการกำหนดด้วยขันอีกอย่างละสามนะะคือสัญญาพภพที่มีนามขันครบสี่นะคือการมาภพสิบเ็ดแล้วก็รูปภปพสิบห้ยกเว้นนสัญญีสัตตาที่เราเรียกว่าพรมลูกฟัก มันก็เหมือนกับรูปฟักแล้วอารูปไปอารูปประพบสามเนี่ยก็เว้นในวสัญญานะสัญญายาตนะภูมิคือเป็นพบที่ไม่มีสัญญาแล้วก็สัญญาพบพบที่ไม่มีนามะขันคือมีเฉพาะรูปประขันอย่างเดียวได้แก่สัญญีสัตตภูมิในวสัญญานะสัญญายาตนะพบเป็นอารูปฌานที่สี่นะะ เป็นภพที่มีในวสัญญาณนะสัญญายตนะภูมิว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะในวสัญญาณนะสัญญาญตนะท่านอุปมาเหมือนกับเราล้างบาตอ่ยแล้วก็เทน้ําทิ้งเนะี่ยถามว่าในบาตมีน้ํำไหมล้วตอบว่มีก็ได้นะเพราะยังเปียกตอบว่าไม่มีก็ได้เพราะว่ามันดื่มไม่ได้เพราะในความรู้สึกของท่านที่เข้าถึงตรงนี้จะมีลักษณะอย่างนั้น คือในความรู้สึกคอท่านว่าไอ้โลกเนี้ยมันมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นความประณีตของจิตแต่ว่าท่านก็จเจริญได้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าก็เคยได้บรรลุในสำนักของท่านอุตตะดาบตรามบุตรในขณะเดียวกันก็แบ่งออกเป็นพวกขันและท่านผู้ฟังที่เคยสวดแผ่ ที่ส่วนกุศลด้วยปฏิทานกาถาที่ขึ้นบุญยศิดาในกาตัดสะเนัรเราจะเห็นว่าพูดถึงขันห้าขันหนึ่งขันสี่แล้วก็สวดกันอย่างนั้นแนะ่ะบางทีโยมก็ถามคือพระเราเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยกล้าอธิบายกับเก่งใจโยมแล้วบางทีโยมก็ไม่รู้จริงเรามาเคยไปพบในต่างจังหวัดคือกาลังจะ จะขึ้นเครื่องไงแล้วนะแโยมก็มาหารู้ว่วไปเขาก็มาหากันเขาก็เห็นนั่งโทรทัศน์นะฮะอย่าโดงมเห็นนั่งโทรทัศน์แต่เราก็ไม่รู้จักเรามีแต่เขารู้จักเราเขาก็แต่งชุดขาวมาเลยก็คุยกันคุยธรรมะคุยเรื่องศีลศีลแปดแล้วก็ถามแต่ละข้ออธิบายโยมฟังแต่ละข้อแต่ละข้อปรากฏว่ายมไม่เข้าใจอะ่ะ รักษาอย่างไงศีลมีองค์ประกอบอย่างไงศีลอย่างไงเรียกว่าขาดอย่างไงเรียกว่าทะลุอย่างไงเรียกว่าด่างอย่างไงเรียกว่าเพราะอย่างไงเรียกว่าเป็นธาตุอย่างไงเรียกว่าเป็นไทยอย่างไงที่บินโยชนยกย่องสรรเสริญอย่างไงบินโยชนดำนิอย่างไางไที่โน้มน้อมก็หาสมาธิหรือไม่มีสมาธิอะไรเนี่ยถามแต่ละข้อนยายกไม่เข้าใจเลยเราทำไมคิดว่าเออเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องพูดบ้าง บางทีรักษาศีลห้ากันเนี่ยถามว่าศีลห้านี่แต่ละข้อนี่มีองค์เท่าไหร่รู้ได้ยังไงว่าขาดหรือไม่ขาดรู้ได้ยังไงว่าศีลมันขาดแต่รูด่างพร้ออย่างที่บ้าเนี่ยแนยวนี้มก็ลักษณะอย่างนั้นก็วันที่โยอมก็ว่าเป็นนกแก้วนกคุณทองมีขั้นหน้ามีขั้นหนึ่งมีขั้นสี่อะไรแต่างขั้นหน้าคืออะไรขั้นหนึ่งคืออะไรขั้นสี่คืออะไร ขัหนหงก็คือเอกะโวการาพบได้แก่พวกอสัญญิสตาอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีเฉพาะรูปประคันนะคทีนี้ปัญหาว่านามปัดมันไไปอยู่ที่ไหนมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับจิตตวประวัติสุดท้ายก่อนที่จะดับแล้วก็ไปเป็นรูปเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งบุญที่เป็นเหตุให้เกิดอสัญนิสัตว์เนี่ยมันมันคล้ายๆไปพักสังสารวัตรอยู่พักอยู่ชั่วคราวแล้วก็นานมากนะฮะ สัญญาสัตว์ในใครก็ไม่ต้องการหรอกเพราะไปอยู่มันบางทีพระพุทธเจ้ามาเกิดตั้งองค์สององค์ใคไม่รู้เรื่องเลยมันเสียเวลาที่ต้องหมุนบนอยู่ในทางสารวัตรมันดูแล้วเมือนเหมือนกับไม้ขอนที่ถูกน้ําซัดขึ้นไปอยู่บนตะลิง่งอ่ะมันนานมีน้ําสูงขึ้นท่วมลากเรามาอยู่ตะลิงลากเรามาอยู่ในแม่น้ําอีกแล้วในที่สุดมันก็เปื่อยเน่าไป ทิงนี้จะตัวโวกาหรือพบก็คือพบที่มีนามะขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะก็ได้แก่อา ร, รูปภปูมิซึ่งเกิดเป็นผลของอารูปประชาสี่พวกนี้เป็นแค่กค่กลุ่มของนามะธรรมแต่มีลักษณะยังไงเนี่ยไม่เคยศึกษารายละเอียดเพราะรู้สึกว่าคงจะสลับซับซ้อนมากแล้วมันต้องสัมผัสตรงนะคคืออธิบายได้ยากพวกนี้เป็น สภาพจิตที่สงบยิ่งสงบลึกจงถ้าเราไม่สัมผัสแล้วเนี่ยอธิบายยากแล้วเคยยังไม่เคยติดตามที่จะเจาะดูเฉพาะว่าเรื่องตรงเนี้ยมันมีความละเมียดละใหม่ลึกซึ้งยังไงคือเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็ปัญจะวกการพบก็ผูพวกขันห้าทั้งหลายเนี่ยกน้าก็มีพวกกามาจระพูมสิบเอ็ด เกือบบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกแล้วก็รูปาวจรภูมิสิบห้านะฮะเว้นอสัญญิสัตย ร, ระดับที่สิบเอ็ดหมายความนับสิบแล้วไปนับที่สิบเอ็ดลยสิบเอ็ดมันก็กลายเป็นพวกพระนาคามีก็เรียกว่าอาวิหะตปาสุทัสสาสุทสีากานิฐาเป็นความแตกต่างระหว่างอินทรีย์ของท่านที่เข้มข้นไม่เหมือนกัน พนี้เกิดขึ้นมาจากอุปาทานว่าโดยองค์ทำแล้วก็เป็นเจตนาเช่นเดียวกับสังขารตอนั้นสังขารจึงกลายเป็นกรรมมพบด้วยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือสังขารไม่เอากุศลอกุศลเท่านั้นแต่พบเนี่ยหมายถึงกุศลอกุศลและอัิญักติเพรารวมเอาอุปัติภพเข้าไปด้วยคือตัวอุปัติภพเนี่ยมันเป็นางกลางมันเป็นอภิญักติ แต่ว่าพบในฐานะที่เป็นสังขารเนี่ยมันเป็นกุศลเป็นอกุศลเราจะเห็นว่าเป็นพูดถึงบาปพูดถึงบุญพูดถึงอรูปฌานท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคและก็สัมโมหะวินโนทนีเป็นต้นว่ากรรมพบมีการกระทำเป็นลักษณะคือเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ทาบ้างพูดบ้างนะฮะคิดบ้างก็เริ่มมาจากเป็นกรรมตั้งแต่คิดล มีหน้าที่ทําให้เกิดขันหมายว่าเป็นเป็นเจตนาที่จะเ อ, อทําสิ่งที่เป็นกุศลนกุศลนะมีกุศลนกุศ ล, ศลเป็นผลแล้วก็มีประธานเป็นเหตุก้าให้เกิดนั่นคือลักษณะของพบทีนี้อุปัติภพมีความเป็นผลของกรรมเป็นลักษณะหมายความว่าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่มีพบเป็นม้พระพุทธเจ้าประธานทั้งหลายเนี่ย พรเจ้าทรงสแสดงสถานะของพระองค์อย่างที่กล่าวไว้นานแล้วนะที่ว่าอากุปเมวิมุติการหลุดพ้นนี้ไม่กำเริบอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิดานิปุณัปปโวพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมันไม่มีคือพวกนี้ที่จริงถ้าเรามองให้รอบแลวนะทั้งหมดมันเป็นกระบวนการก็เหตุปัจจัย ทีนี้เมื่อเหตุปัจจัยมันดับสักข้อเนี่ยมันเหมือนการรถไฟเราถอดรวรัตจักรออกอะกี่ขาโบนไม่ช่างมันเนีอยมันไปไม่ได้หรอกหรืองูเราตัดที่ศีรษะมันก็ไปไม่ได้ะต้นตาลต้นหนึ่งตัดที่โคนที่ที่ที่ยอดตา น, นะฮะมันก็ตายมันไปไม่ได้เพราะงั้นบางทีเนี่ยอุปมาพวกเนี้ยอุปมาเหมือนเหมือนเหมือนกรตานยอดด้วนะ่ะคืองอกอเจริญเติบโตไม่ได้อีกต่อไป แต่บางทีคือว่าตามยอดด้วนอุปมาได้ทั้งบวกทั้งลบนะฮะด้านลบก็อุปมาได้ด้านบวกกอุปมาได้เพราะงั้นอุปติภพก็มีความเป็นผลของกรรมเป็นลักษณะทําหน้าที่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็มีอภิญญาติเป็นผลคือความเป็นกลางๆนะฮะเพราะว่ามันก็โลกอะ่ะโลกโลกเหมือนกับดินน้ลาลมฝอยอากาศเนี่ยเป็นโลก แต่ประธานปฏิเดก้าให้เกิดที่นี้กล่าวโดยสมมติเนี่ยหมายเอาความปรากฏแห่งขันดังกล่าวแล้วในตอนตอน้นเมาว่าโดยปรมัติได้แก่ความเกิดขึ้นครั้งแรกของขันคือวิญญาณ น, นามรูปอจญญตนาปัสสาเวทนาอันนี้ก็กลับไปที่ตอนต้นของอวิชชานะฮะเราจะเนาะอวิชชาสังขารเนี่ยอันสองอย่างเนี่ยเป็นกิเล ก, กรรม แล้วก็สร้างวิญญาณขึ้นไปเพราะในความเป็นวิญญาณเนี่ยที่จริงมันมีส่วนผสมของกิเลส ก, กรรมอยู่ที่บางครั้งบางคราวในท่านกระชากกรรมคันทโพอคือคนทันแล้วก็ไปถือไปสนธิในในคันของของมารดาเพราะฉะนั้นเวลานั้นเรามันก็รวดมาเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ผูกเดียวนะเพราะยังไงยังไงเริ่มปฏิสนธิมันก็อย่างที่บอกไว้ในตอนตอน้นมันก็นิดเดียวตนเองนาะมารป่งก็นิดเดียว ค่อยๆเติบโตผ่านการเวลามาในครั้งแรกนามรูปน่ะเกือบครบแต่อายตนะนี่มันต้องผ่า น, นมีรูปร่างหน้าตาเ็าเรียกว่าแตกเป็นปะสาขาคือปัญจาสาขามีศีษะมีมือมีตัวมีเท้าแล้วก็เติบโตอายตนะครบเขาเรียกว่าได้อายตนะครบแล้วผัสสะเวทนาเนี่ยส่วนมากซึ่งเธอก็กระทบตั้งแต่ในขัน เคยดูภาพที่เขาอะไรล่ะเอาก็ทำแท้งอ่นนะคือแสดงว่าเด็กแกก็รู้สึกนะเจ๊งหนีแกห น, แกนีแต่นี้มันก็มดลกูกมันก็แคบอะดิน่นหลบไปอยู่ตรงมุมนั่นมุมนี้ผลท้ายก็ดูดออกมาแสดงว่ามันก็มีวิญญาณมีความรู้อะไรอยู่แต่แม่แม่มนุษย์มันหาอโหดได้เห็นแกนเงินเพียงเล็กน้อยสร้างบาป ก, กรรมขนาดนั้นหะ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะฮะนอกจากว่าก็เป็นกรรมของสัตว์ทีนี้ท่านท่านท่า น, านแบ่งออกเป็นรู ป, ปรชาติคือความเกิดขึ้นของรูปประขันและรู ป, ปรชาติคือความเกิดขึ้นแหน่งนมามะขันชาตินี้จึงเป็นความบังเกิดครั้งแรกในภพนั้นๆเป็นลักษณะหมายความมาเช่นว่าเราตายไปเนี่ยเราก็เกิดที่ไหนก็ได้ก็ถือว่าเกิดครั้งแรกสมบัติชาติเนี้แล้วก็ ทำหน้าที่มอบขันให้แกสัตว์นั้นๆในความมาค่อยทยอยมีเวทนามีสัญญามีสังขาร ม, มีวิญญาณครบครบสมบูรณ์แล้วก็ไปโปรในอดีตพบมาสู่ปัจจุบันพบเป็นผลคือหมายความว่าโปรจากอดีตพบนะฮะเช่นจะสมมติว่าอะไรล่ะคือชาติก่อนเราเกิดเราเป็นเทวดาแล้วก็ตายมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย สมาความออกมาจากอดีตชาติแล้วก็มาสู่ปัจจุบันอชาติซึ่งบางครั้งเป็นการปรากฏในแนวถ้าพวกเทวดาเนี่ยท่านอธิบายว่าเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอย่างเช่นธนนาท บ, บินนิกาเศรษฐีเนี่ยท่านป่วยหนักนะประสานดีบุตรไปเยี่ยมแล้วก็เทศสอนธรรมะให้จนเกิดธรรมปิติแล้วมีความทราบซึงมากแล้วทั้นก็ดับจิตไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรเป็นนาท บ, บินนิกาเทพบุตร เทวดใจก้อนท่านยังผูกพันพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าพระเจ้ตะวันอยู่นะพอบังเกิดเป็นเทวดาปั๊บก็มาเลยมาพฝ้าพระพุทธเจ้าเลยก็ด้วยความคิดถึงแล้วก็กล่าวธรรมคมนะฮะท่นนานาท่านนาติบินเดกะเทพวดีกล่าวธรรมะได้คมมากกำมังวิชาจะทำโมจะสีลังชีวิตธรรมุตธรรมังเอเตนะสตตาสุชนตินะโชเตเณะนะธเนนวา หมายความว่าคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้เนี่ยเพราะกรรมคือการกระทากามวิชาคือความรู้กัมวิชาและก็ธรรมะศีลชีวิตที่อุดมนะคุณเกิดมาเป็นใครไม่สำคัญนะ่ปะปัญหาสำคัญของคุณปฏิบัติอย่างไร่ะโรบงพ่อสมเด็จพระวันรัตเ่งวัดมหาธาตุเนี่ย ก็ชอบอธิบายในตรงนี้เพราะเราเห็นชัดเจนนะฮะคือคือหมายความว่าคุณธรรมทั้งห้าประการเนี้ย่สามารถเปลี่ยนแปลงชาติภพของเราในปัจจุบันเนี่ยหมายความเปลี่ยนสถานะของเราเนี่ยกำมังเกียการกระทําของเราวิชาคือความรู้กําลังแล้วก็ธรรมอ่ะศีลในชีวิตที่อุดมห้าอย่างเนี้ยสามารถจะเปลี่ยน เปลี่ยนคนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ถ้าว่ามีคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหล่านี้สูงมันก่อให้เกิดเป็นคุณค่าเป็นคุณภาพเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมนะเป็นความรู้เป็นการศึกษาก็เกิถึงเนื่อมาจากการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพราะงั้นมีกา ร, รมพบเป็นเหตุให้เกิดขึ้น กรรมมาพบก็คือบุญบาปอเนินชาอย่างที่ว่าแล้วนะฮะสาบเทคนิควันเดียบปฏิจจสมบัติในสาบเทคนิคเขาเยอะทีนี้เนื่องจากกรรมในเป็นเหตุได้เกิดพบกาเนิดของสรรพสัตว์จึงถูกกาหนดด้วยอำนาจแห่งกรรมที่เราถือว่าเป็นกรรมลิขิตทีนี้กรรมริผิดนี่ยมันไม่ใช่บันดาลอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าบันดาญมาจากอดีตอย่างเดียว เรอยู่ดีๆเนี่ยเกิดโมโหฉุนเฉียวขึ้นมาขับรถชนโครมก็มาก็เกิดเรื่องแล้วนะก็กลายเป็นอะไรล่ะอย่างน้อยก็ทำลายทรัพย์สินเสียหายหรือว่าถ้าทำคนตายก็ทำคนให้ตายโดยเจตนาโดยใจโอ้ยกลายเป็นฆาตกรหายไปเลยอันนี้ก็คือภูมิจิตเราก็เปลี่ยนกรรมภพเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ภพที่เราไปอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนกลายเป็นคุกเปลงกลายเป็นตารางไป ถึงบางครั้งบางคราวอย่างเราดูประธานาธิบดีคิมแดจุงนะฮะที่ท่านได้รางวัลสันติภาพเนี่ยโอ้โหประวัติคนท่านเนี่ยดูเดือดจริงๆเลยเพื่อนตามล่างตามสารสารพัดตัดสินทหารแล้วนะฮะรอดมาได้เป็นมติโลกก็จะเอาไปทวงในทะเลนะพวกสื่ราชการรับของเมริกาไปช่วยไปทันได้จริงตายแล้วท่านมาจะได้เป็นประธานาธิบดี ก็ขาอย่างพิการด้วยได้รางวัลสันติภาพโนโ น, น, นะนโนเบนนะฮะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั้นเด็นไคือกรรมในปัจจุบันเนี่ยถ้าทำก็ท่านในปัจจุบันเป็นความฝ่ฝันที่ยากจะทำสาเร็จแต่ท่านทำได้สาเร็จขั้นหนึ่งนั้นคือเกิดเกิดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งที่จริงก็ครอบครัวเดียวกันนะ่นะ พ่ออยู่ด้านหนึ่งลูกอยู่ด้านหนึ่งลูกอยู่ด้านหนึ่งพ่ออยู่ด้านหนึ่งเน ะ, ะ่ยตั้งห้าสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดเรื่องชาติหน้ามากเกินไปก็ดูชาตินี้ตัวกรรมในตัวตั ว, ต, วตัวสำคัญที่สุดคือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้ในขณะนั้นๆั น, นดังนั้นท่านจริงบอกว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยก ให้คนเลวและประนีแตกต่างกันรูปธรรมจะเป็นกรรมนิยมแม้ในขณะที่สรรพสัตว์ดำรงชีวิตยอยู่เนี่ยก็เป็นไปาตามนากของกรรมเช่นเดียวกันความแตกต่างของสรรพสัตว์ในรูปแบบต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นผลกรรมดังที่ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมเป็นดัวจาแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีแตกต่างกันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นกรรมมพบจึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ และก็เมื่อชาติมีเจรามนะก็เกิดขึ้นติดตามมาท่้งฟังทั้งหลายแต่โรมะโพตยาในวันนี้ก็ต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี